ขนาดฟังเทศให้จิตอยู่กับตัวไม่ต้องส่งไปที่ไหนให้รู้อยู่เฉพาะตัวทั้งนั้นแม้แต่ผู้เทศก็ไม่ให้จิตส่งออกมามันก็เหมือนคนไม่อยู่บ้านเองจิตส่งออกมาข้างนอกความรู้สึกภายในด้อยลงไปให้เต็มเม็ดเต็นี้ถ้าจิตอยู่กับที่ความรู้สึกภายในเป็นที่ ทำสัมผัสเยังทำก็เต็นเม็ดเต็นหน่วยผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการตังทำก็ต้องเกิดขึ้นในขณะที่จิตของเรามีความรู้สึกอยู่กับตัวไม่ส่งออกภายนอกถ้าแสงทาเข้าไปสัมผัสก็เต็นเม็ดเต็นหน่วยจิตใจย่อมมีความสงบเสียงธรรมกับเสียงโลกผิดกัน เสียงธรรมเป็นเสียงที่เย็นเสียงโลกเป็นเสียงแผดเผาความคิดในแง่ธรรมะกับความคิดในแง่โลกต่างกันความคิดใ น, ในแง่โลกเกิดทำเป็นความวุ่นวายผลเป็นทุกข์ความคิดในแง่ธรรมให้เกิดความซาบซึ้งภายในจิตใจและจิตมีความสงบเย็นนี่ท่านจึงจเรียกว่าธรรม เรียกว่าโลกแม้จะอยู่อาศัยกันอยู่ก็ไม่ใช่อันเดียวกันโลกกับธรรมต้องต่างกันอยู่เสมอไปเพีนเดียวกับผู้หญิงกับผู้ชายที่อยู่ด้วยกันมองดูก็รู้ว่าผู้นั่นคือผู้หญิงนี่คือผู้ชายอยู่ด้วยกันก็รู้เพราะเพศลักษณะอาการทุกอย่างมันต่างกันเรื่องของธรรมกับเรื่องของโลกจึตงต่างกัน ในลักษณะนี้วันนี้ไปงานศบท่านจย์กว่าพอไปปรมอันนี้จังทุกของหน้าตาที่นั่นอีกทีนึ่งพอก้าวขึ้นไปสู่เมนท่านพอไปกราบเพราะมีควา ม, มท่านินสมมัตท่านอาจจะร่วงเฟินท่านโดยมีเจตนาก็เป็นได้เะต้องประกาบขอขมาท่าน ท่านเป็นคนไม่ชอบพูดแล้วคิดดูเรื่องปฏิบัติการดำเนินมาของท่านเดยลำดับท่านไม่เคยมีคอบครัวทำปฏิบัติแต่ก่อนเคยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นได้ชมเชยทุเรื่องการนวดเส้นท่านบรรดาลูกศิษย์คือมาอุปถัมภะเฉพาะอย่างยิ่งการนวดเส้นไม่มีใครสู้ท่านกว่าได้เลยท่านกว่านี้เรา ทำเหมือนกับหลับท่านก็เหมือนกับหลับอยู่ตลอดเวลาางั้นเราทำไม่เหมือนหลับท่านก็เหมือนหลับตลอดเวลาแต่แต่มือที่ทำงานไม่เคยโลดละความหนักเบาเพราะให้ทราบว่าท่านกว่านี้หลับไปหรือ ง, ง่วงไปท่านชมแต่ดูอาการนั้นเป็นลักษณะคนสับโง ก, กว น, นเวลานวดเส้นให้เรานี้ สับปะหนกโงงานเหมือนกับคนจะหลับแต่มือนั้นทํางานอยู่โดยสม่ำเสมอแสดงว่าไม่หลับทันว่าหอกจนั้นถ้าลงมีลักษณะสับปะหนกแล้วมือมันตายไปแล้วแหละทันว่าอาจารมั่นอาจาผู้กรมปรวงวามือมันตายเจ้าของกําลังสลบทันว่าเนี่ยคือกําลังสับปะหนกนั่นแหละว่าเจ้าของกำลังสลบแต่มือมันตายไปแล้วทันว่า ตายไปก่อนตัวของผมแต่ท่านป่าไม่เป็นอย่างนั้นท่านอุทมธรรมถากเจริญมากก็ทาให้เราคิดย้อนหลังขึ้นไปเวลาท่านอุทมธรรมถากท่านจันมั่นวิจารสมที่อยู่ไหนอยู่ทั้งท่าบ่อทั้งไหนไม่รู้เราลืมลืมไปได้แต่มันมาทั้งจิตใจทั้งกับเขยไปบ้างการปฏิบัติก็เขยไปในตอนหนี่งรู้ว่าจะศึกจะอะไรไป แล้วกลับตัวได้ตอนที่ท่านอาจารย์มั่นมาจากเชียงใหม่แลวกลับตัวได้เรื่อยมาไอไม่สบอยู่ไาจะมาทั่งทุกวันนี้น ถ, ถึงวาราสุดท้างท่านแ ล, ล้วก็ไปดูเมนท่านดูศพท่านในหีบคือดูหีบศพท่านกลับแล้วก็ดูพิจารณาอยู่ภายในอ๋อนี่เป็นวาะ สุดท้ายของชีวิตนี้มาถึงแค่นี้เดินไปไหนก็เดินเที่ยวไปไหนก็ไปแต่วารสุดท้ายที่กระดุกยุติกันไม่มีความเคลื่อนไหวไปมาก็คือวาระที่ขึ้นเมนนี้ทีนี้จิตจะไม่ขึ้นเมนด้วยถ้าจิตจะไม่สิ้นจากกิเลสอาสวะจิตจะต้องท่องเที่ยวไปอีกที่ขึ้นอยู่สู่เมนนี้มีตั้ง เพียงร่างกายเท่านั้นทำให้คิดตปมากมายเหมือนกันมันแม้แต่นั่งอยู่นันงแต่นั่งเอามาเป็นอารมณ์คิดเรื่องนี้อีกทีถ้ามีสัมงผ่าแล้วเป็นนะคิดหลายเนี่ยหลายกระทงพิจาณาถึงเรื่องมัตตวนวนไปวนมาเกิดขึ้นมาอายุสั้นยุยยาวก่อ ของเกี่ยวไปนุ่นมานี้ไปไก่ไปไก ล, ไไกลผลจุดท่าก็มาลงที่จุดนี้ผลจุดท่ามาลงที่จุดนี้แต่ภายในก็มีกิเหล็ครอมามนำเป็นนายบังคับจิตใจไปเรื่อยๆแต่ไปสู่พบกักรรมวิบากซึ่งเป็นอํานาจมาจากที่เหล็กส่วนมากเป็นอย่างนั้นควบคุมไปเพราะนั้นก็พูดต้องหาไปเที่ยวสู่กาเนิด น, นั้นไปสู่กําเนิด น, นี้เกิดที่นั่นเกิดที่นี่ เหมือนเป็นผู้ต้องหาไปด้วยอำนาจแห่ ง, ง, งอำนาจกดแห่งต่มื่อมีกิเลสเป็นผู้ควบคุมอยู่ฉากหลังชาโลกเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะเป็นคนพิเศษในการท่องเที่ยววะะัฏสงสารอยู่นี้ต้องเป็นเช่นเดียวกันผู้ที่เป็นคนพิเศษก็คือผู้ที่พ้นจากคงจกักหรือเครื่องหมุนของกิเลสเท่านั้นเองดังนั้นร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันมีเท่าไรเหมือนกันหม เป็นเหมือนผู้ต้องหาคือไม่ได้ไปทำโดยอิสระของตอนเองไปเกิดก็ไม่ได้เป็นอิสระของตอนเองดูในสถ า, านที่ใดก็เป็นอิสระของตอนเองเหมายว่าพบน้อยพบใหญ่พวบใดก็ตามต้องมีกฎแห่งกรรมเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ไปด้วยอำนาจแห่งกฎแห่งกรรมเป็นผู้พาพาผังให้ไปสูงต่ำอะไรก็แล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วที่พาให้เป็นไปอยู่อย่างนั้น สูงก็เป็นอนาจแห่งความดีแต่ที่ยังเกิดอยู่ก็ก็ราะอนาจแห่งกิเลสเนี่ยธรรมกิเลสกิเลสนี่จึงแทรกอ ย, อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะขึ้นภพใดแม้ที่สุดทนมาโลกก็ยังไม่พ้นที่กิเลสจะต้องไปปกครองถึงท่านสุทธาวาก็ยังต้องปกครองอยู่สุทธาวาคืออิหาตาปาสุธัสสาโตสีอากนิฐา เป็นทั้งชั้นสุดท้ายแต่ว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ท่าเตยออกอวิหาเป็นชั้นแรกผู้ที่สําเร็จพระนาคา ม, มีขั้นแรกหากว่าตายก็จะเกิดในชั้นนี้อวิหารนี้อัตตาเป็นชั้นที่สองแล้วมือบารมีแก่ข้าแล้วก็เลื่อนขึ้นขั้นนี้เลื่อ น, น, น, นถึงขั้นนั้นถึงขั้นนั้น เจนถึงจนกระทั่งถึงขั้นสุดทาวารก็ยังไม่ท้นที่กิเลสจะไม่บังคับจิตใจเพราะเวลานั้นยังมีกิเลสอยู่ถึงจะละเอียดเพียงไรก็เรียกว่ากิเลสอยู่นั่นแหละจนกระทั่งพ้นจิตได้เต็มภูมิแล้วในขั้นสุดทาวารก้าขึ้นสู่อรหัตภูมิผ่านนิพพานไปเลยนั่นเด็กว่าเป็นผู้พ้นแล้วจากโทษ แห่งการจองจำมีพูดตามวิถีความเป็นไปของกิเลสทีเรียกว่าวัดตะบนแล้วพูดไปตามวิถีแห่งผู้สนที่สนับสนุนเราให้เป็นไปโดยลาดับจนกระทั่งผ่านพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งผู้สนที่สร้างนี้เท่านั้นส่วนอำนาจของกิเลสที่จะให้คนเป็นอย่างนั้นไม่มีทาง มีแต่ธรรมาชาติที่เป็นผู้กดท่วงโดยถ่ายเดียวเท่นั้นบุญกุศลเป็นผู้ผักดันสิ่งเหล่านี้ออกช่วยไปโดยลําดับลำดันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บําเพ็ญกุศลให้มากหากจะได้เย็นว่าแต่เกิดนนว่าแต่สงสารก็มีสิ่งที่ช่วยต้านทานความทุกข์ร้อนทั้งหลายให้พอให้เบาบางเช่นเดียวกับเวลาหน้าเวล า, าหนาวมีผ้าห่มเวล า, าร้อนก็มีน้ําำหรับอาะ งแพะหิวกหายก็มีอาหารนับทานมีที่อยู่ที่อาศัยมีเครื่องเยียวยารักษาพร้อมไม่ทุกข์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยบุญกุศลคอยพยุงอยู่เช่นนี้จนกว่าจะค้นไปได้ตราบใดตราบนั่นถึงจะหมดปัญหาแต่แม้เช่นนั้นบุญกุศลก็ยังต้องปล่อยไม่ได้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสนับสนุน ที่กล่ามาทั้งหมดนี้เป็นคำพูดของนักปาราชญผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมในโลกทั้งสามนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนได้คือพระพุทธเจ้าเราถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงว่าเรานี่หมดคุณค่าหมดราคาไม่มีสาระอันใดเลยพอที่จะรับความจริงไว้ได้แสดงว่าถ้ากายก็ปลอมทั้งกายจิตก็ปลอมทั้งจิตไม่สามารถที่จะรับความจริงนั้นได้ ความจริงกับความปลอมมันต่างกันธรรมะเป็นของจริงจิตเป็นของปลอมปลอมเต็มที่จะไม่สามารถจะรับได้อย่างนี้มีมากมายก่ายกองส่วนฝ่ายหนึ่งจริงฝ่ายหนึ่งปลอมนังพอรับได้รับธรรมะขั้นสูงไม่ได้ก็ยังรับขั้นต่ําได้ตามกําลังความสามารถของตนก็แสดงว่ายังมีขาวมีดําเจือปนอยู่บ้างภายในจิตไม่ดําไปเสียหมดคือไม่ปลอมไปเส้ยหมด ถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็าแสดงว่าหมดคุณค่าภายในจิตใจเพราะไม่มีชิ้นใดดีพอที่จะรับความจริงนั้นไว้ได้เลยไม่รับธรรมไม่รับสง์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนั้นแต่เราถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าพุทธธรรมธรรมังสนังพระฉามิอย่างเทิดทูนฝังไว้ในจิตใจแสดงว่าจิตของเรามีความจริงมีหลักมีเกณฑ์ มีสาระสําคัญจึงรับเอาธรรมสาระขีงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นต้นเข้าสู่จิตใจฝากเป็นฝากตายมอบกายถวายตัวประพฤติปฏิบัติตามท่านจ้ากลาบากเพียงไรก็ไม่ท้อถอยเพราะความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงฆ์เรียกว่ากิตของเรามีสาระคุณสมควรตามกําลังความสามารถทั้งตนอยู่แล้ว ดึงไม่ควรตำหนิติเตียนตนว่าเป็นผู้มีวาสนาน้อยความติเดเตียนตนโดยที่ไม่พยายามพยุงตัวขึ้นแล้วกลับเป็นการกดทวงตัวเองให้ท้อถอยไปโดนดับนั้นเป็นความติเดเตียนที่ผิดไม่สมกับคําที่ว่ารักตนความล่าตนต้องพยุงจุดไหนมีความบกพร่องต้องพยายามพยุงหรือส่งเสริมจุดนั้นให้มีความสมบูรขึ้นไปเรื่อยๆสมชื่อสมนามว่าเป็นผู้รักตน เมลสมกับว่าพุทธธรมรมธรรมสถานะามิที่ถือพระพุทธเจ้าพระองค์แห่งธรรมหรืองค์แห่งเหตุหออหหผลเข้ามาช่วยประกอบปะคอรองยุทธภูิ จ, จิตใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นๆในสากลโลกนี้ถ้าเราจะพูดถึงธรรมสาระหรือว่าสาระสําคัญแล้วก็มีอยู่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เท่านั้นสรุปลงแล้วมีธรรมเท่านั้น เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่เราจะฝากเป็นสายตาได้ตลอดการทุกมือตลอดพบตลอดชาติในวัตตะวนที่เราโบกเยือนตันมาอยูน่นี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นเครื่องยึดด้วยความร่มเย็นจิตใจเหมือนทมนี่เลยทรรมโมหะเวรคติธรรมจรถ้าทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมคำว่าพระธรรมรักษาคืออย่างไร ทำไมทำจึงมารักษาคนต้นเหตุมันเป็นมาอย่างไรคนต้องรักษาธรรมนี้เป็นต้นเหตเบื้องต้นคือสาเหตุเบื้องต้นคนรักษาธรรมเช่นเราทั้งหลายรักษาธรรมอยู่อย่านี้รักษาธรรมคือรักษาตัวดําเนินตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ไม่ให้เกิดเกิดพลาดไปพยายามรักษาตนให้ดีด้วยความประพฤติทางกายวาจาตลอดถึงความคิดทางใจ อันใดที่เป็นฆ่าศึกต่อตนและผู้อื่นอันนั้นไม่ใช่ธรรมท่านเรียกว่าอะกธรรมล้วพยายามทาจัดสิ่ง น, นั้นออกดําเนินตามหลักทำดทวยท่าน ส, สอนดังที่เราทั้งหลายได้อบรมสมาธิภาวนาหรือฟังเทศน์ตั้งธรรมอยู่แล้วนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละคือความปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมด้วยกําลังและเจตนาดีของตนแค่นี้ผลต้องเกิดขึ้น ให้เป็นความให้เป็นธรรมรักษาเรานะคําว่าธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในขั่วนั้นก็คือก็คือผลของธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติของเรานี่แหละไม่ใช่ยูยูพระธรรมท่านก็จะโดดเข้ามาช่วยยูยูพระธรรมนักก็โดดออกมาช่วยโดยที่ผู้นั้นไม่สนใจกับธรรมเลยอย่างนี้เป็นแต่ใน่ได้สาเหตุที่ธรรมท่านจะรักษาก็คือเราเป็นที่รักษาธรรมผลที่เกิดขึ้นจากการรักษานั้น ก็ทำเราให้มีความแค็งแกร่ปลอดภัยมีความอยู่เย็นเกินจุดนั่นท่านเรียกว่าทำรักษาการปฏิบัติเรามีความหนักแน่นมั่นคงละเอียดละออมากน้อยเพียงไรพผลที่จะเป็นเครื่องสนองตอบแทนเราให้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจก็ยิ่งเขยืดขึ้นไปโดยลำดับตามเหตุที่เราทำไว้นั้นๆจ น, น, นกระทั่งถึงรักษาให้ผ่านพ้นปจากภัยทั้งหลายโดยชิ้นิง ทีเรียกว่านิยานีิก็ทําชุดล่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยดีจนเต็มภูมิพวามธรนั้นให้ผ่านพ้นจากสมมุติอันเป็นบ่อแห่งอนิจจังทุกขังน่าตายหรือบ่อแห่งความป เ, เกิดเกิดตายนี้ไปเสียได้หายห่วงพระพุทธเจ้าเป็นผู้หายห่วงพระสงฆ์เป็นผู้หายห่ว ง, ง, วงด้วยการปฏิบัติธรรมทารักษาท่านพยุงท่านจนกระทั่งถึงภูมิแห่งความหายห่วง ไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เสียดายยื้อใหญ่เป็นผู้สิ้นภยัยสิ้นเบนสิ้นกรรมสิ้นนิบากแห่งกรรมโดยตลอดทั่วถึงพระพุทธคือพระพุทธเจ้าคือพระสงฆ์สาวกธรรมจริงเป็นความเป็นธรรมชาติที่จําเป็นต่อศาสตร์โลกผู้มีความมุ่งหวังความตุกความจเจริญความหวังหลังเลิกกันทุกคนแต่สิ่งที่จะมาสนองความหวังนั้นขึ้นอยู่กับการประพฤติธปฏิบัติของตน เราอยากให้มีแต่ความหวังอยู่ภายในใจใเฉยแล้วต้องสร้างเหตุที่ใกล้เป็นเครื่องสนองตอบแทนความหวังนั้นด้วยดีดังเราทั้งหลายปฏิบัติทำเรื่อมาจนกระทงปัจจุบันแล ะ, ระเราจะจะปฏิบัติต่อไปโดยลํำดับนี่แหละคือเราสร้างความหวังไว้ความหวังจะไม่เป็นของใครจะเป็นสมบัติอันเป็นที่พึงพอใจของผู้สร้างความหวังไว้นั่นแหละ ไปดูเมนท่านวันนี้ก่อไปเห็นประชาชนมากมายกลายกองก็เกิดความสงสารแล้วทําให้คิดถึงเรื่องความเป็นความตายตเฉพาะอย่างยิ่งคิดถึงองค์ของท่านที่ท่านตั้วใปฏิบัติมาก็เป็นวาระจุดท้ายไว่ที่เมนนี่เป็นอันว่าหมดความหมายทุกสิ่งทุกประการภายในร่างกาย จิตใจก็จะต้ดำก้าวไปอีกก้าวไปตามกรรมตามวิบากแห่งกรรมไม่อยู่ยัง้งไม่มาอยู่เองแต่จะอยู่ด้วยกับกรรมกับวิบากแห่งกรรมเทกรรมวิบากแห่งกรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กิตนั่นแหละจะเป็นเครื่องพาให้เป็นให้ไปไปดีไปชั่วก็อยู่กับที่ตรงนั้นเราทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นจพยายามสร้างความดีไว้ให้เป็นที่เพียงพอแอก่จิตใจของตน ใครก็ตามที่พูดไม่ถูกต้องตามอ่านตามทำอย่าถือมาเป็นอารมณ์ให้เป็นเครื่องก่อความติดใจโดยไม่เกิดประอะไรนอกจากเกิดโทษขึ้นมากับตัวเองเพราะความคิดในอารมณ์ไม่เป็นประโยชน์นั้นผู้ใดที่เป็นจะเป็นสารณะของเราผู้ใดจะเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวของเราเป็นคติเครื่องสอนใจของเราในขณะที่จะเห็นได้ยินได้ฟังผู้นั้นแหลคือกัณยานามิถ้าเป็นเพื่อนมิเบิ่งกันนับแต่พระสงฆ์ลงมาโดยลำดั จะเป็นเด็กก็ตา่างทำนั้นไม่ใช่เด็กคือคติอันดีงามนั้นดึดได้ทุกแข่งผู้ขดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ยึดได้แม้แต่สัตว์ดิบฉันตัวใดมีอัจฉริยะใจพอดีก็น่ายึดนะเอามาเทียบเทียมถือประโยชน์จากเขาก็ได้ผู้ทีมเป็นคนโรคโลกนั้นอย่านําเข้ามาคิดให้มันรกรุงรังภายในจิตใจของตนโรคโลกให้มันโรคอยู่เฉพาะเขา โลกของเขาเองโลกในหัวใจของเขาเองอย่าไป น, นําอารมณ์ของเขามาโรคโรคคือหัวใจเรามีเป็นความโง่ไม่ใช่ฉลาดเราสร้างความฉลาดทุกวันให้ยามเจาะแสวงความฉลาดทำไมเราจะไปโง่กับอารมณ์เหล่านี้ปฏิบัติตายอย่ามีความหวั่นไหวต่อสิ่งใดไม่มีใครจะรับผิดชอบเรายิ่งกว่าเราจะรับผิดชอบเราในขณะ น, นี้โดยลําดับๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายตาแดนแข่งชีวิตของเราหาไม่ เราจะต้องป็ผรับผิดชอบอยู่ตลอดสายจนกระทั่งพบหน้าพบไหนก็าตามความรับผิดชอบของตนนี้จะต้องมีติดแน่ไปกับตัวแล้วเราจะสร้างอะไรไว้เพื่อสนองความรับผิดชอบเราให้เป็นที่พึงพอใจนอกจากคุณงามความดีนี้ไม่นีเราไม่ได้ตำหนิเรื่องโลกเราเกิดมากับโลกธาตุขันทั้งธาทั้งขันร่างกายนี้เป็นโลกทั้งนั้นพ่อแม่เขาเราก็โลกทุกสิ่งทุกอย่างที่มาย า, ย า, ยารักษาก็โลกเราเกิดมาก็โลก ทำไมจึงพูด่งว่ามันมีสําคัญไม่สําคัญที่ว่าเราจะยึดเป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎเป็นเจนเพิ่งเป็นเพิ่งตายไปเซึ่งจริงนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเห็นความสำคัญของมันในขณะที่ปัจจุบันที่เป็นเครื่องมือที่จะใช้ทํางานให้เกิดผลเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมแต่เราจะถือว่าเป็นสาระสําคัญจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวไม่คิดถึงอนาคตจะเป็นมาอย่างไรถ้าในจิตใจซึ่งเป็นส่วนสําคัญจะได้รับผลอะไรบ้างถ้ามีแต่ความเพลิดเพลิ โดยไม่รู้สึกตัวมายึแต่ร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรานี่จะเป็นความเสียหายสำหรับเราเองที่เราคิดรอบครอบต่อทาต่อขันนอันนี้ก็เป็นโลกเราทุกคนเป็นโลกอาศัยพึ่งพานไปตามคำหลังของเป็นไปของมาไม่ปฏิเสธอันนี้โลกอยู่ด้วยการสร้างอยู่สร้างกินเพราะร่างกายนี้มีความบกพร่องต้องการในเรื่องเลี่ลยงอู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องพานั่งพานอนพายืน พาับภาถ่ายพารับทานอะไรทุกสิ่งทุกประการเพื่อนแล้วตังแต่มาเยียวยารักษาขมบก้องของร่างกายเมื่อเป็นฉะนั้นไม่ทํางานได้หรือคนเราวิู่เฉยอยู่ไม่ได้ต้องทํานี่เป็นความจําเป็นทั้นหลักท่าขันในขณะเดียวกันควรจะเป็นธารกิจที่ต้องเรียกหาความสุขความเย็นใจต้องเรียกหาความหวังหาความสมหวังเราอย่าลืมความความหวังอันนี้เราอย่าลืมความรู้สึกอันนี้ที่มีอยู่ภายในกิจแน่จะมี วัตถุจมบาอะไรมากมายการควาก็าตามความที่หัวของกิดความร่องเรียกของกิจจะแสดงกีดตลอดเวลาเพื่อให้เป็นเครื่องสนองตอบแทนกันเหมาะให้เหมาะสมกับทั้งภายนอกภายในภายนอกได้แก่ร่างกายภายในได้แก่อวัใจเราจึงสร้างสิ่งที่เป็นเครื่องเยียวยารักษาเป็นเครื่องบำรุงไว้ให้พร้อมมูลทั้งสองประการคือส่วนทางร่างกายก็เสาะแสดงหาทรัพย์สมบัติเงินทอง ม, มาไว้สําหรับเวลาจําเป็น เอาคุณงามความดีเราก็สอบเสถียหาเพื่อเป็นเครื่องบรรเทาจิตใจหรือมพยุงส่งเสริมจิตใจให้มีอาหารเช่นเดียวกับส่วนร่างกายและมีความสุขความสบายนี่เพราะอย่างยิ่งสร้างขึ้นเรื่องสติปัญญาอยากให้จนเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพราะความจนกรอกเป็นมุมเราเกิดมาเป็นคมทั้งคดเฉพาะอย่างยิ่งรักวิชาทุกทุกแขนงสอนให้คนฉลาดทางนั้นทั้งโลกพอดีนี่ทางธรรมโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือพระพุทธเจ้ารงฉลาดแหลมคมที่สุด สอนอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถสอนได้รู้อย่างมนุษย์ที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ถอดถอนสิ่งที่มนุษย์ทั้งหึงหวงที่สุดไม่สามารถจะถอนถอนได้พระพุทธเจ้าถอบถอนได้ทั้งนั้นแล้วเวลามาสอนโลกก็มีใครที่จะสอนได้แบบพระองค์เลยนี่ผู้นี้เป็นผู้ที่หน้าดุจเอาย่างยิ่งแล้วผลที่ปรากฏจากความฉลาดแหลมคมของพระองค์ก็คือได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกสั่งสอนโลกจนกรทั่งบรรพณีผ่านนิพพานแล้วก็เป็นความสุกเกษม ให้มีะระบบป้องก็องค์เลยผู้นี้แลเป็นสละชันนางขจฉามิได้โดยสมบูรณ์เราพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวคือจิตใจของเราให้มีความสมบูรณภพูนสุดไปด้วยคุณงามความดีความฉลาดอย่าให้จนกรอบจนมุมพระพุทธเจ้าไม่พาจนกรอบไม่เคยทราบพระพุทธเจ้าไปจนกรอบไปไม่ได้ติดที่ตรงไหนติดตรงไหนฟันตรงนั้นขุดตรงนั้นจนทะลุไปได้หมดหแค่ติดอยู่แล้วนอนอยู่นั้นจะจนกรอบจนมุมท่อถอยอ่ยอนแอ ถอนกำลังออกไปเสียอย่างนี้ใช่ไม่ได้ติดตรงไหนกับข้อตรงไหนนั่นแหละคือทําอันเป็นเครื่องท้ามสอเราให้พินิจพิจารณาหรือเป็นเครื่องเตือนสติปัญญาให้ผิดขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มันมาติดข้องเราไปประสบเหตุการณ์อันใดก็ตามเราจะเอาความเป็กรอบเข้าไปขวางหน้าเรา้เอาสติปัญญาเข้าเป็นเป็นผู้บุกเบิกอะไรมันขวางบุกเบิกเข้าไปเรื่อยๆคนเราไม่ใช่ว่าจะงู้ยไปแต่ไม่ใช่ว่าจะฉลาดมาตั้งแต่มันเกิด ต้องอาศัยความพิจิตพิจารณาอาศัยการสั่งสมหรือการคน้นคว้าการพิจิตพิจา ร, ารณาการศึกษาโรงเรียนการอบมรมแล้การค้นการคิดความฉลาดจะเกิดขึๆๆๆๆๆ้นโดยลำดับลำดับไม่มีประมาณแม่น้ํามหาสมุทรจะบอกว่าเท่าไรก็ตามปัญญายังแทรกก็ได้หมดกว้างยิ่งกว่าแม่น้ำมหาสมุทรทางความโง่กับอะไรจะโง่ ย, ยิ่งกว่าจิตนี้มีท่าจะทําให้โง่โง่จนตั้งกลับตั้งกันเกิด้วยความโง่ตายด้วควโง่อยู่ด้วยความโง่โง่ตลอดนี่ ถ้าจะให้งโง่ๆอย่างนั้นถ้าจะให้ฉลาดฉลาดที่สุดพยายามแล้วเราต้องการอะไรความฉลาดพาคนให้ดีพาคนให้พ้นทุกข์ไม่ว่าทางโลกทางธรรมพาคนพ้นไปได้ทั้งนั้นไม่แต่จนกรอบจนมุมถ้ามีความฉลาดนี่เราพยายามสร้างความฉลาดให้เราต้องผลิตความฉลาดขึ้นให้มากให้พออ้าวแต่พ่ออย่างยิ่งเราแบกเราหามอยู่ในเบญจขันธ์อันนี้เราฉลาดกับมันได้อย่างหรือมีตะบนให้มันโดยที่มันไม่รู้สึกตัวกับเราเลย บ่นให้แค่ให้ขาอไอ้วัส่วนต่างๆจํานั้นปวดนี้บ่นันไปออกมาจากใจนะคำบน่นี้ความไม่พอใจการบ่นนั้นเหมือนกับเป็นการระบายทุกข์ความจริงไม่ใช่ระบายทุกข์มันเพิ่มทุกข์เราไม่รู้จุดตัว ม, มันเป็นสองชั้นขึ้นมาเรื่องทุกข์ยันให้มันตลอดทั่วถึงของอยู่กับเราสมบัติเงินทองมีอยู่ในบ้านเรามีมากน้อยเพียงไรเราเรื่องมีทะเบียนบัญชีเราเรียรู้ว่าของนั้นมีคำนั้นของนี้มีทีนี้เก็บไว้ที่นั่นอันนั้นเก็บไว้ที่นั่นเราเรงเรารู้ เรื่องของมันจำนวนของมันแล้วเกิดว่าในสถานที่ใดเรารู้แต่สกุลราคาธาตุขันธ์เหล่านี้เราแบกเราหามาตั้งแต่วันเปิดแล้วเรารู้บ้างหมายว่ามันเป็นยังไงมีอะไรอยู่ที่ไหนตรงไหนมันมีดีมีขั่วมีสกปรกส้วมหรือมีความสะอาดสะอ้านที่ตรงไหนมีความสาระสําคัญอยู่ที่ตรงไหนไม่สาระสำคัญที่ไหนมีอนิจจังหรือมีมีนิจจังอยู่ที่ตรงไหนมั่ง มีทุกขังหรือสุขขังอยู่ที่ตรงไหนมีอนัตตาหรืออัตตาอยู่ที่ตรงไหนคนมันเห็นเหตุเห็นผลซึ่งมันมีอยู่กับตัวด้วยกันด้วยทั้งนั้นในท่านในขันข้นลงไปเขาพุทยาท่านสอนส่วนมากอยากจะว่าพูดว่า 100. ร้อยนะทั้งร้อยอืมรู้ฟังอนัตตาจังรู้ฟังอนิจจังคําว่าอ น, นิจังคืออะไรมันควรเราอยู่ตลอดเวลาความอนิจังมันแปลทุกขังเหมือนกันมันควรถ้าว่าเราจะพูดทั้งแบบนักธรรมะ มันเตือนมาอยู่ตลอดเวลาอย่าประมาทอันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่าไปถือไฟรูปไมอ้อนาตตามันเป็นไฟถือแล้วร้อนนยรูปปัง้งเขามาลูปปังแยกออกไปรูปมันมีกี่อาการอาการอะไรบ้างดูทั้งข้งนอกขอ้างในดูเห็นตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้าท่านดูตลอดทั่วถึงปัญญาไม่มีจนกรอบทั่วถึงไปหมดถ้าจะพาให้ทั่วถึง ถ้าจะให้ติดขั้นอยู่ตลอดเวลาก็ติดเพราะไม่ไม่ได้ชิดเนี่ยสำคัญจริงๆก็คือร่างกายหนัวห้มนี้แล้วดูให้ดีถอนมูลกรรมฐานอันนี้มเกสารลมาหน้าขาทันตาตะโตพอมาถึงตะโตคือหนังเท่านั้นอยู่ ท่านเรียกว่าตาจัรรา ก, รกระมาฐานแปลว่ากรรมาฐานมีหนังเป็นที่ห้าแต่ตามสัตว์นะพอว่าถึงตะโจแล้วทำไมถึงหยุดเสียสอนพระสงฆ์ผู้บวชใหม่ก็เช่นเดียวกันแล้วอนุโลมปฏิโลมอนุโลมคือว่าไปเดินดักไปโดนคือถอยหลังย้อนกลับพอถึงหนังแล้วหยุดพอเหตุใดท่านถึงหยุดความหมายหมายว่าไงหนังเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับสัตว์โลกติด ก, กันก็ติดที่ตรงหนังนะ หุ้มสกุลนาการไว้ก็คือหนังผิวพันธุ์มันหน้าข้างนอกน่าดูแต่ไม่หนาเท่าไบรแลนด์เลยข้างในตงึงนี่มันหุ้มที่เราลองถลอกหนังนี่ออกดูสิเราดูกันได้ยไหมสัตว์เป็นสัตว์ก็ดูไม่ได้เป็นคนก็ดูไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายดูกันไม่ได้ทั้งนั้นเมื่อถลอกหนังองแล้วเป็นยังไงนี่แหละปลา ถ, ถึงแตะโจท่านถึงหยุดอันนี้มันครอบแล้วครอบในสกุลนาการเรือว่าครอบโลกธาตุแล้วพิจารณาตรงนี้คลี่คลายออกดู ทั้งข้างนอกดูข้างข้างในของของหนังไปยังไงหนังรองเท้ามันไม่สกปรกให้เหมือนหนังคนหนังสัตว์ที่สดสดร้อนร้อนอยู่นี้เนี่ดูนี่เราตร้มาถานดูข้างบนข้างล่างคนทั้งคนเอาถลกดำทั้งหมดทั้งเขาทั้งเราจะดูกันได้ไหมอยู่ด้วยกันได้ไหมเรายังไม่เห็นอยู่หรือความจริงที่แสดงอยู่ภายในตัวของเราเรายังยึดยืถือว่าเป็นเราอยู่ได้เหรือไม่ไอายความจริงบ้างเหรือความจริงเป็นอย่างนั้นนี่แต่เราฝืนความจริง แบบด้านๆเฉยๆนี่พี่ว่าไงเพราะอะไรถึงด้านเพราะกิเลสตันหาความมืดดำกรำตา ม, มันพาร้านเราก็ต้องทนด้านกับมันถืนจะไม่อายพระเจ้า บ, บ้างนี่สิทั้งคัน อ, ะอ่ะพระเจ้ามีพระเมตตาสั่งสอนต่าโลกให้ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เแต่พวกเราเนี่ยยึดยึดถืออไปเรื่อยบางคนเป็นจะแทบจะตายยังตายไปไม่ได้เวลานี้ยังมีธุระอย่างนั้นจะกตายไปไม่ได้ฟังสิ จะตายไปไม่ได้อย่างไรตั้งแต่เป็นมันยังเป็ น, นทําไมตั้งเจ็บมันยังเจ็บมันทำไมจะ ต, ตายไม่ได้ไม่คิดบ้างหรืออ น, นี้เลยนานนี่แหละความโง่ความโง่ข่าวพวกนเปี้พวกนี้ความจึงต้องแทออกให้เห็นความโง่ของตัวเองด้วยกติปัญญาจากการเนความสลัดแหลมคมขึ้นมาธรร ม, มาฐานห้าท่านสอนถึงตะโกเป็นประโยกใหญ่มากที่เดียวอ้าดูเข้าไปอืเนื้อเป็นกระดูก ข้าเป็นนาเท่าไหร่ดูได้พี่นายนี่เนี่ยเที่ยวกรรมฐานเอาเที่ยวตรงนี้ดูให้ดีดูข้างบนข้างหลังมันเทินอยู่กับความติณเนี่แล้วมันเอาไปคลายออกคลายออกเรื่อยๆเพราอเข้าใจความรู้ความเข้าใจซึมซ่าข้าไปถึงไหนความผ่อนคลายของของใจจะเบาออกเบาไปเบาไปเบาไปโดยลําดับเป็นของ เพราะอันนี้เพราะคำสําคัญอันนี้เป็นเครื่องให้่ะทานในจิตใจเพราะคำปเข้าใจนี้แล้วจึงปล่อยรางเดิมแ่ะแล้วก็มีความเบาทายในจิตใจนี่เป็นประดุกสำคัญในการพิจารณากรรมฐานเอาเออกเป็นชิ้นเป็นอันกำหนดออกจะแบบให้มันเปือยพังไปเรื่อยๆเอาเอาเปื่อยเปือยเแบบเยอะดูไม่ได้ อะไรที่จะทําให้เกิดเป็นความชาดอยากอย่างซึ่งหนมีอยู่ภายในร่างกายแต่ก่อนมันไม่ค่อยไม่ค่อยอาอยาให้เกิดให้มีด้วยปัญญาของเราพิจารณาให้เห็นชัดิจรินี่คือความจริงเป็นอย่างนี้ความปลอมมันเสกออกไทยก็เสกได้ด้วยกันนั้นต้องตรับปลอมเสกได้ทั้งนั้นมันเสกง่ายเสกปลอมติดง่ายความจริงมันไม่ค่อยอยากเสกมันไม่ค่อยอยากพิจารณาจริงไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยชอบเนี่ยไปชอบสิ่งที่ไม่น่าชอบ แล้วมันก็ทุกในสิ่งที่เราไม่ชอบอ้วยเหมือนกันเปิดทุกความทุกไม่มีใครชอบแต่มันก็เจอด้วยกันเพราะมันปีนเสียวกับความจริงเราจะกําหนดให้มันเปือยลงไปโดยลำดับลำับก็ได้เอจะกําหนดแยกออกเฉือนออกไปเฉือนลงไปเป็นกองเป็นกองกองเนื้อกองหนังอะไรออกออกไปยัเหลือแต่กระดูกกระดูกมีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กมันติดต่อกันที่ตรงไหนกําหนดออกไปดึงออกไปกองกัน ไฟเผาเข้าไปอนี่คืออุบายแห่งมรดกได้แก่ปัญญาความติดพันในสิ่งเหล่านี้จนถึงกับเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกทั้งลูกก็เพราะความสาคัญก็เพราะความปรุงความแต่งของจิตใจความสำคัญมั่นหมายของอจิตใจซึ่งเป็นตัวจำปองนั่นแหละเรายังพอใจติดใจได้เรายังพอใจคิดยังพอใจตําพันมั่นหมายได้ดังพอใจติดได้ปัญญา อุบายวิธีการดังที่อธิบายมานี้คือความคลี่คลายออกให้เห็นต่างของสิ่งมันนี่เป็นความทพิถูกเป็นความคิดความปรุงที่ถูกต้องเพื่อการถอดถอนตัวเองทําไมจะถือว่าเป็นความคิดเฉยๆสิ่งที่เป็นความคิดเฉยเราติดนั่นเป็นเรื่องของสมไทยัยเรายังยอมติดเรายังยอมคิดสิ่งที่เป็นมากเพื่อจะถอดถอนความติดประเภทนั้นสังขารแก้สังขารปัญญาแก้ความโง่ทําไมเราจะทําไม่ได้มันจะขัดกันที่ตรงไหน นี่ท่านเรียกปัญญาเอาประมดเท้าไฟลงไปได้กี่ครั้งกี่หนเราไม่ต้องไปนับทั้งน้ำหนเอาคมชำนานเป็นของสำคัญชำนานจนกระทั่งนั่นปล่อยมันวางได้นอกจากนั้นมันก็เป็นสุญญากาศร่างกายของเราที่แรกมันก็เป็นปฏิกูพิจารณาที่แรกไม่ได้พิจารณาเลยมันก็สวยกว้างงามพอพิจารณาตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าเข้าไปที่เดียวกับปฏิคู มันก็เห็นทัดคล้อยตามคล้อยตามซึ้งไปเดินดนักหนักจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายมีความขยะแขยงเกิดความสุขสังเวชน้ําตาล่วงมาในขณะที่พิจารณาเห็นกระจักภายในจิตใจโหเห็นกันแล้วหรือวันนี้แต่ก่อนไปอยู่ที่ไหนร่างกายทั้งล่างมันดูด้วยกันมาตั้งแต่มันเกิดทําไมไม่เห็นทําไมไม่เกิดความสุขสังเวชวันนี้ทําไมถึงเห็นอยู่ที่ไหนถึงมาเจอวันนี้ทั้งๆที่อยู่ด้วยกันแล้วทําไมถึงมาเจอวันนี้นะ ลำพึงำพันธ์กับตัวเองพอเห็นชัดเจนก็จริงๆครเกิดความขยักขยแงเกิดความสลดสังเวสแล้วใจเบาไม่มีอะไรจะบอกให้ถูกได้เพราะความหนักก็ได้แกความยึดความถือพอเข้าใจสิ่งนี้ชัดเจนประจักษ์ในขณะนั้นมันก็ถอนออกมาจิตเบาโล่งไปหมดจากนั้นกําหนดลงไปทนัทนทันทลายไปแหลกเหลวไปหมดกลายเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมไปไฟจิตปรากฏเป็น เหมือนกับอยู่อากาศอะไรเลยกลายเป็นธาตุไปหมดเป็นอากาศและธาตุไปหมดจิตว่างไปหมดเลยนั่นนี่อุบายของสติปัญญาทำคนให้เป็นอย่างนี้ทำความรู้ความเห็นให้เป็นอย่างนี้ทำผลให้เกิดความสุขความสบายความเบาจิตเบาใจอย่างนี้นี่เมื่อกาหนดเข้าไปนานๆ จะมีความชำนาญละเ อ, อยียดยิ่งไปกว่า น, นี้แม้ที่สุดร่างกายที่เรามองเห็นด้วยตาของเรามันหายไปหมดจากภาพจา ก, กรูปกลายเป็นอากาศทาต่ว่างไปหมดเลยดูต้นไม้ก็มองเห็นเงเป็นลางๆเหมือนกับเราภูเขาทั้งลูกก็เหมือนกับเราเท่านั้นไม่ได้เป็นภูเขาจริงจังเหมือนแต่ก่อนเพราะจิตมันแทงทะลุไปหมดร่างกายทั้งล่างก็เป็นเหมือนกับเงาๆเท่านั้นเองทะลุไปหมดจิตว่างนี่ ว่างเพราะวางร่างกายด้วยเพราะจิตทะลุร่างกายทั้งหมดความเป็นชิ้นเป็นอันเป็นท่อนเป็นก้อนเป็นอะไรนี่ทะลุออกหมดหาคิ้นหาก้อนไม่มีกลายเป็นอากาศธ า, ธาธตุไปหมดเลยนี่หมายถึงร่างกายเวทนามันก็มีแต่เพียงยึดคับยึดครับยึดยิดยึดเกิดภายในร่างกายมันก็ว่างของมันเองเหมือนกัน เวทนาเกิดขึ้นก็ทราบว่าเกิดแต่ก้อนเวทนาหรือเหมือนกับเป็นตัวเป็นตนแห่งเวทนาขึ้นมามันไม่มีเพราะอํานาจแห่งปัญญาอันนี้เองทะลุไปอีกเป็นลักษณะเป็นเงาเงาของเวทนาสัญญาก็เพียงเงาเงสังขารก็เพียงเป็นเงาเงาที่นี่เวลาปัญญามันครอบเข้าไปครอบเข้าไปมันละเอียดเข้าไปอะไรก็กลายเป็นเพียงเงาเงาเทนั้นจากนั้นมันก็ทะลุเข้าถึงจิต มันเป็นก้อนในจิตก้อนอวิชชาก้อนสมมุติก้อนพบก้อนชาดมันอยู่ที่จิตปัญญาฟาดฟันลงไปที่นั่นคําที่มาเงาเเงาหมดอคําที่ว่าก้อนก้อนหมดภายในจิตไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นทีนี่ว่าอะไรความรู้ล้วนอันนี้ความรู้บริสุทธิ์คือซากฟอกออกหมดอันใดที่เป็นลางๆหรือเป็นเงาเงา ซึ่งเป็นเรื่องของธงนุษยเป็นเรื่องของที่เล็มันทั้งละออกหมดไม่มีอะไรปิดบงังจิตใจดวงที่บริสุทธิ์นี้ได้เลยนั่นคือที่สุดแห่งทุกที่สุดแห่งภพแห่งชาติที่สุดแห่งมัตตจักรทั้งหลายสิ้นสุดลงที่จุดนั้นหมดปัญหาการปฏิบัติธรรมเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเราอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะ พระพุทธเจ้ากับกับธรรมชาติอันนี้เป็นอันเดียวกันถ้าธรรมถ้าสง์เป็นอันเดียวกันกับธรรมชาตินี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นคิดว่าเห็นหลักานกฎหมายที่เห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้พระพุทธเจ้าจะปฏิพันธ์นานเพียงไรก็ต่างไม่สําคัญอะไรเลยเพราะนั้นเป็นการเป็นฐานที่เป็นพระกายเรือนร่างแห่งพุทธะเท่านั้นพุทธะอันแท้จริงคือความบริสุทธิ์นั้นอันนี้เป็นชั้นนี้อันนั้นเป็นชั้นนั้นและพระพุทธเจ้าจะสูญไปไหน เมื่อธรรมชาตินี้ก็รู้รกันอยู่นี้ไม่สูญแล้วพระพุทธเจ้าจะศูญไปได้อย่างไรทว่าถ้าทรบัติธรมนั้นศูญไปได้อย่างไง ร, รู้รอะไรทาไม่รู้ทำแล้วทําไม่มีจะรู้ได้อย่างไราว่าทาศูนย์จะรู้ได้อย่างไงงานลงที่จุดนี้อยู่ที่ไหนก็เหมือนอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมผสมฆ์แม้ว่าว่าอยู่เหมือนอยู่นะอยู่กับพระพุทธเจ้าวัางนั้นเลยให้มันเต็มแน่เต็มหน่ตามความรู้สึกนั้นเสีย แล้วจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าได้ก็เมื่อธรรมชาตินี้เป็นเครื่องเทียบเคียงหรือเป็นสักยบุญกับความกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วกับพุทธะของพระองค์กับธรรมะสังกัดทั้งหลายเป็นอันเดียวกันอยูแล้วนี่เราจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ว่าไม่มีได้ไงเมื่อเราปฏิเสธธรรมชาตินี้ไม่ได้อเมื่อเราับองธรรมชาตินี้ก็รับรองพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ได้อันเดียวกันงายถ้าจะไปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ว่าไม่มีในโลกก็ปฏิเสธอันที้เสียว่าไม่มีแล้วปฏิเสธได้ไหมท่านท่านท่านลู่ๆยิ่งว่าไม่มีอยู่เหอน นี่นี่หละยอมรับกันตรงนี้บรรดาพระสาวกทั้งหลายเมื่อรู้เรื่องของทำโดยทั่วถึงแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยพระเจ้าเลยแม้จะไม่ได้เคยพบเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามเพราะพุทธ่านแท้จริงไม่ใช่เรือนร่างไม่ใช่ร่างกายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดังที่ตัวรู้เห็นอยู่นี้เลยนะ นี่คือธรรมชาติที่อัศจรรย์เริ่มต้นประเทศอะไรเรื่องความเกิดแก่เกิบตายมันไม่ยุติร่างกายเอาขึ้นบนเมนแล้วจิตมันยังไม่ยอมขึ้นมันมั น, นยังขยันหาเอาซากเอาศพไปขึ้นเมนอยู่เรื่อยๆศพบางศพไม่ได้ขึ้นเมนถ้าเป็นศพเป็ดศพไก่นั่นก็ขึ้นเมนคือขึ้นเนตาไฟ เผากันที่น่ะแต่เราไม่เห็นว่าเป็นป่าช้าถ้าเป็นําเอามนุษย์ไปเผาที่ตรงไหนไปฝังตรงไหนนั้นตัดช้ากลัวกันจะตายไปสัตว์เอาขนเข้ามาในเตาไฟไม่เห็นกลัวว่าเป็นป่าช้ายิ่งสนุกสนานมันไปใหญ่นี่เพราะความต้องการมันผิดกันนั่นเองแล้วจิตมันก็ชอบทิ้งไปแล้วมันตกว่าหาใหม่หาใหม่เอามาขึ้นเมนเลยเลยเออจะไปขึ้นไหนก็ไม่รู้เลยถ้าธรรมชาตินี่ไม่ได้ พลอกอกให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วความขึ้นเนินไม่ต้องสงสัยความจอมปา่าช้าจักจองป่าชาไม่ต้องสงสัยพบใดก็ตามก็คือพบแห่งป่าช้านั่นเองก่อนที่เป็นป่าช้ามันเป็นกองทุกข์ประเท่าไห่ป่าชาเป็นวาระจุดท้ายของกองทุกข์ในชาตินั้นเราเขายันนักงหรือในการเกิดก ต, ตายโดยหาหลักฐานมาได้หา ก, กฎเกณฑ์มาได้หาความแน่นอนไม่ไ ด, ในในไได้ถ้าเรามีความแน่นอนในการเกิดว่าต้องเกิดเป็นนั้นเกิดเป็นนี้ก็ยังพอทำเนาเพราะพบที่เราต้องการนั้นเป็นเป็นความสุข ท่านี้มันตั้งธนาไม่ได้ถ้าไม่มุ่งสร้างเหตุให้เป็นความสมหวังเสียตั้งแต่บัดนี้คือสร้างกิตสร้างใจสร้างางามความดีของเราไว้เสียตั้งแต่บัดนี้นี่คือสร้างความสงหวังไว้สำหรับตนแลแ้วจะเป็นผู้สมหวังเรื่อยๆไปจนกระทั่งที่สมหวังมาหสุดท้ายเป็นที่พึงพอใจยอย่างเป็นที่ได้แต่วิมุตถุพ้นคือท่านิพายนะว่าสารเป็นวัชรสงวเอาลรภูติห <laughs> อมันมันไปใหญ่เลยนะ